นะโมตัสสะพระวัตตอะระหัเตสมมาสมปตัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอะระหัโตสมมาสมตัสสะนะโมตัสสะพะวัโตอะระหัโตสมมาสมปตัสสะทัสมโมฮเวลักติ ทรรมจาติที่ติอา้าขอความเป็นธรรมเราโะยกที่ตั้งใจมาสมาทานสิ่งก็ตั้งใจฝังธรรม ในหัวข้อความจริงของชีวิตคำว่า<ม>ความจริงของชีวิต<ม>คือชีวิตของเราเนี่ย<ม>ทุกขกรูปและทุกข์หนาเร<ม>าเราต้องใช้กาย เราปฏิเสธไม่ได้เลยชีวิตเราต้องใช้กายมาเายายยยายยมื่อเราใช้กายใช้อไรใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้น ใช้กายแล้วก็ใช้ใจเมื่อเราใช้ตาตาก็บอกเราสังเกตใช่ไหมตาเมืเราใช้มือน เ, นน เ, นเนี่ยสังเกตเหล็กทุกอย่เนี่ยใช้เขี่ยมั่อเาหลับไปนอนตาสีอล้ว ตาสวยตาสอยว่าใช่ามากขึ้นเนี่ยใช้ให้ตาเปล่ไงไรสเปล่โลตาไปล่งโลไม่เกิดโลกเ ป, ป็อนอะไรปุ๋ เวทนาจัตาเกิดแล้วภาษ า, า, าสามารถเรลื่นวนาภาษามาลดแต่ว่ปวดไม่ตาก็ปวดหวก็เหมือนกันเราใช้โหวดไหมโหวดโห ตาก็เสื่อมใจบกชายหน้าก็เสื่อรรมนก็นเหมือนกันชายหน้ามันก็เสรรื่อมตาก็เหมือนกันใจก็ เ, เหมือนกันเมื่อูกใช้ไปบ้างมันก็เสรรื่สรรมไปเสื่อมไปแล้วเปไหน เวทนาทางกายเจ้าเวทนาตันี้ของเราไม่ร เจ้าพบต่อแมนหลายจังหวะกันเราเนิ่นมบําเพ็ญอยางนี้เริ่มกับสมานกัวกันอยานีนเน้เดี๋ยวความปวดมันจะเกิดเจ้าจิตเนี่ยเจ้าจิตของตัวเองเนี่ยรับรู้อารมร์พอปวดขาปุ๊บ กิจส <spr> mm ่วนหนึ่เราหม้ไปอยู่ทีตาแล้วอยู่ทีตาจิตเป็นหนามีวจอกว่าเอยู่ที่ตาแล้วเราจะจิตเป็นหนามีตายเราจะยึดกายเจะวนาเกิดก็หนายึดก็มันเลย ปวดขาวืขาปวดท้องยืดเข็นปวดตานยืดปันปวดตายืตาปวดศีรษะยืดศีระความจริงความจริงของปวดความจริง เพื่อขอนคราฑเอจะจิตอย่างนี้น ถึนนี้หายีป จิตก็เกิดเป็นอย่างปวดที่ตัจิงก็ปวดของกายจติตเรารับรู้อารมอย่างเดียวใตจิตมนไม่ไปวดรับรู้อารมเราจะยึดอารมเป็นอุปาทานเขาเรียกว่าโลปปาทานะคันโตเป็นวัจิตยึดกาย แต่ปวดที่คอตึงเับปวดที่กายแต่เจ้าติดรับโูอารมณเจ้าจิตไั่ปวด ร, รับรูอาร์แล้วก็ยึอาร์ั้ากระจิตอยู่กับพวกทูปทพปทา มีจิตอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่ในจิตก<ม>ารแสจิตสูดลมแล้วสูรลมของความจสอบใจ เราจะต้องรู้ก่อน กายตนเองเนี่ยถ้าเรามองเห็นเนี่ย time to มันคนโลกออกมากพอโลกมากเราขปาประีรกบม า, เากเราก็ส่งโลกพระเจ้ากัอนมาอารายาปรมาราภคนที่กิดนานมากใ น, นโลกเป็นลาภอันดสด คือปวดน้อยโค้งงอลงคนที่มาเลา ส่วนกายก็เบี่งสุดส่วนกายก็บี่ยงสุดส่วนกายก็เรีกว่าเส้นเส้นตาเบ่ยสุดที่ความบี่ยงสดของกายบี่ยงสุดจตใจเบ่าสุดที่จิตใจ อารมณ์ใจต่อเก่เดี้บใจขอ ง, องเนี่ยทุกวนเลยเราคิดใจมากแหะเราเป็แต่งอารมณมากเมื่ อ, อ ม, าม า, ป เ, า, า oh. เป็นมาโลกใจจะมีนึกคิดทุกคนลคเลยทุกคนคเป็นแข่งทุกวันเรื่องจะทิศไปนมอง เลืจะมื่อก็คิดเ่ืจะคิดก็เมื่อมันอกกะอระสออารมในจไตอันนี้ใจก็ขุ่นใจก็เศร้าหมองใจก็หดบโออใจก็เพ้อใจใจก็เท้าใจก็เหมือนบ ใจก็ุณหวอนละใจขมหวานใจก็เศรหมองนกะ็จจจจสีของอารมณ์ก็ผา เราใก็สะาด้จิตจะหยันงรก็จะติตของตนเอง <Yeah. S 1> นนนเองนงองอี่ยพอจิตมาสงบพอสงบจะัน hmm. อุ่นความใจก็เย็นลงลงหลบหูีความร้อนดับความเงินเกิดจิตก็จะก่ะอกลาย ถ้ามีพุท ธ, ธากาอารมณใจตัวเอดของว น, นมาประสบจะภาในาไม่ได้วาระงานยินของวันก็ไม่เกิดดังนั้นสภาพปิดเนี่ยเราต้องศึกษาไว้เอามมากระทบ นากับแบบอารมณ์แบบุกมากับแทบ้าติดเราเกิดปัญหาเราอะไรนะเราอะไรนะนี่มันเป็นสาสตร์ผู้ประศาสตร์พู้เจ้าสตระ ที่เขาเป็นต่อมควงมเฉื ตสัมมาวาจาสัมมังกัมมันตสัมมาจิวสัมมสติสัมมาสมปชิกขังจิตอารมณ์นีไปต่อนาเราเราให้ตัวเนี้ยให้จิตเราเกิดเป็นหน้าหวผอมใส่เงินแข็ส่เงินขาส่เงินใส่คำใส่เงิน นม่มีวัตถุสายไม่มวัตถุสายตาจิตยาวเหินต่อไปใโกนาเนี่ยนั่นละลดข้อแม่หรือสกปรกทติตฐิเนี่ยนีมัดในองแตกเป็นแสมาตริเห็นตวามปลมมันจริงลดที่สลงน่ะ เป็นสัญมาทิฏฐิเขาก็แสงลงมากแต่ mm hmm. มัดมิอลงแตดเนี่ยถ้าเราทำจิต mm hmm. ก็ปัญญาเป็นสั mm hmm. นญมาทิฏฐิ เราจะสร้างลงไปเพราะงั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันไม่ยู่เป็นใจจร่งพระเจ้าจ่าที่มาปัญญาเราให้มนุษย์เกิดมาไม่ปัญญาประาทได้สร้างสมอบรมบุญทำไมบุญก็ไป มามารเราไมเอาเงียไปจำนวน้อยในโลกเพราะเมืโลกตรกกะควรลมเราไม่นีปัญญ า, ม ไ, ม า, ไ, ม า, าไม่มไม่นีปญญาเขาาไม่เอาเงียบไปไม่ดีทตายไม่ดีก็เงียบไปเขาใครบางฟงใบ แต่ป็นสภาวะของมันว่มันเกิดมาไม่มีปัญญาเป็นท่าของอารมณ์ย่สั่เล่าราณเนี่ยเพี่ยวเล่าปมันมีที่เกิดมีในชีวิตอยู่แต่ชีวิตนีหละไม่มีปัญญ<ม> า, า<ม>เป็นท่าของ เป็นธาของอริชาเป็นท่านของสมุทยัยเราก็สร้างเบ็นจางกังไปแต่มนุษย์ที่เกิดมามาปัญญาจงรักเชื่อคำสอนที่เราเชื่อเอ็นอ้่ามนี้น เ, เรามาเป็นยาแล้วจังที่จะมาให้ตรยแบบ ทำสอนความประจัญของจุลิศให้อ ย, ดยอดบอกน้อมไปตามนิตตะจุมาโดยถูสติเติบตัญญาการทุกขภาพตมณภาพสังขารภาพแม่ภาแบ่งคนละตระหนักหคยโคนบรรมจาคนกรมจากมาเจ้าคนกรรมพระอิศมาจาเป็ น, นไนนนนนนป พจาสนองเราไปเจรากับรจาสนองเจรานก็ปรึกษากันบุคคลตอนนีพระบราติการที่ทักวัดมาบุรีมาพักวัดอโศกเมื่อก่อนนี้พักวัดดอรหลวงปู่บุดดานะตอนพระชมรมมาพักวัดดอน พระสงฆ์ก็ปรึกษาหนึง่สอนองสนึงซึ่งที่อยู่ระมสักนิดเพรเรื่องรัชสรรคกานี่เจต น, นาเป็ น, <Yeah. S 1> นพระสงฆงอยากจะให้พระสายก็มาถานครบาอาจารย์อีสอนอานนี่ร่างอธบยากู เราเขาเพิ่มเยอะแมเจ้าจะมาแ้วปุ่นั่นี่ยเหรอแะมาหลังจากกับพระรามไดินพระสงฆ์มาต้งได้งนสงฆ์ล็อบตัวไปไหนไม่ได้แล้วสวดมนต์ไยเหรเกิดจากพระสงฆ์แล้วก่อนนั้นเราไปเหรต้องสงแล้วก็เวียดีแปล ตัวจากหลวงพ่อสงวนน้ำมันเลยหลวงพงวนเนีโยมรงอยู่ประชาระ6ปีอะ6ปีทั้งสมรภมานกันเนี่ตอนนี้มันแบ่งระบาดแม่อะไรบ้างถจะรู้ก่อนรู้ก่อนเลงอะหลวงห่อสก็พา คณะอาจารมีปายนู่อยู่วมทั้งาลงว่ี่ชา่าปัยจะมีจอยู่ปัยจาอยู่้าฉันเร็นปามหาบุรุษเปิดโครงการช่วยจีวิตอยู่มาภาการเงนจร่วม็าม ห, า, นหนาบุรุษอยู่ ใจเลอะเกาะั่ตาบอกว่าใจเลอเกาะหลทงพ่อทำงานปุ๊บทำงาน่ะแล้วก็จัดโครงการช่วยยากเนี่ยหลวงพ่อต้องมองน่าช่วยนม่เหลือไม่เหลือเลยอะแต่ถ้านม่ออกฉันทำเงีบเนี้ยเลยก็ถินถ้าก็ถินจังไปจไม่นานอยู่ เราสามานกว่าอยู่เราพงตาเบื่วเราพังตาช่วยชีวิตยู่ทามใหายบประกรอ่เนี่ยอาลาพรเนียนหยันธาิวหาบุปริเบือนเดชสางกัลามห่วงนาที่เต็มยม สต่หมตาขอให้บ่อมิบุญได้ฉันได้เอวังแมวันโตที่นงไ ป, างางป ด, ดานังกาปะตทานิทานวัเตนไท้แต้มเดือ น, นี่ ยมประโยชน์และอารมณ์นี้ไปได้แล้วฉะนั้นจังต้องห้างคอยสะพอนที่ท่านปร า, นารนะแล้วจำใจแล้วนี่ป็นแม้ว่าจะเมชันโตนจนทําเรลโดยชาบันตําเพนบริแรงร้งก็ตามาข้อความลำเลีน้ำพรมเต้นที่จันทบรานโตยันธรรมเริ่งกันจันในวันเพนมาลีชอแรันโตยันธรรม มันแคมพันยันสว่างสวายควนยินดเดยพวันดวงจัพพมัมงกแรกกอถาบพระ ม, ง, ระมงคลยอจะไม่กันทันรังคันสุจทรบรเทวันางพระังเทวดาอยู่รังสารท สามพระพุทธานพเวนามจากสามปัญธมานพเวนามโดยหันรรแผ่แผ่บันรมสามพสังขานพรเวนามโดยหันแผ่แผ่บรตรองท่านทานทนทีพระวันจะนเทข้อความตวตรีทรลายยมบแกันทันตบมือ